ผิวแตกต่างกันอไรอยวะของเราถีอว่าเป็นผู้ชายแตเหมือ น, นกันกับอะไรยวะของเขาคือเป็นผู้หญิงมันมีส่วนใดผิวแตกกันบนหนังอันเดียวกันหรืออันเดียวกันแต่เราพอใจตามสมมติขโลกโด ย, ยที่รู้ที่จ น, นามะจังไปลืมหลวงติดข้องกามมัดเพื่เพิม สนั้นการพิจารณาธรรมเป็นเปรื่องแกะไขราคาตัญหาพิจารณาลึกเข้าไปภายในใจรู้เห็นตามเป็นจริงยอมจำนนทำของท่องวิทยาไาสจ้าเป็นของจริงอย่างนี้นามาชำระสักงอกจิตใจที่เลื่อนหยงให้หาออกไปได้เห็นแทนที่จะดูเพียงายนอก เป็นอย่างนั้นจะต้องเลนหนังเข้าไปดเนื้อเอ็นกระดูกับไปใส่คุณต่างๆส่วนเป็นของในเาสวยน้างามเป็นของอนยตจางุกขังอนัตตาหนุ่ยเสือพูดคุยธรรมะภายในทาไมดูเพีงคิ้เผดภายนออกเท่านั้นจะต้องดูเข้าไปภายใน หนักเทวนเบามีตามเมื่อตามตัวมีอะไรเสวยงามมีคุณค่าราคาพอขายได้นี่จะแข้งน่อยข้งหนึ่งถ้าไปถ่ายไปบ้านเลเรื่องของเขาเขาจะตัดตัดใหม่ถ้าเหตุใดเพราะเป็นของโปรปกกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเมื่อดคือเราเลือดเราเหลืองเรามันหน้าแดงมันสวยมันงามถ้าตัด แขนตัดขาตัดคอเลอกบด้เป็นมากๆเอาไปเทเตียงหนังผืนนอนของเขาทิ้ที่นั่งผืนนอนของเราจะดีเราเต็มใจหถ้าหากมันเสียมันงามเต็มใจดอกไม้ผีเสื้อผีงามเราเอาไปตักกระดดูชาแลวชอบดมแต่มันมีกลิ่นหอมอันนี้นใครเต็มใจพอใจท้างสองที่เขาเื่อมเหมือนอยู่นั้นเหมือนกัน ถ้ามันาราใครในใจจึงยิ่งเหวืองอย่างนั้นให้พิจารณาหาทางสำนักจิตใจอย่าปล่อยใจตามเรื่องราคาตันหาทุกคนเบียกมาเกียสึกฝึกเสรมอเนเต้มๆเพื่อจะแก้ไขใจผิดว้อไม่ใส่เบียดมาเล่นเบียดมาเพลิดพจาหาทาง นามนังหยเมื่อสิกสองอดเยมเตีวแต่ละความรู้ความ มีธรรมมีเมตตาตุลามีธรรมะในตัวเกิดน้ำคือนมีธรรมะก็อยู่ในสถานขี่ใดจึงไม่เป็นเงินเป็นทอ เราตัดจากบางสงนันหนึีตหนึ่งแก่ถึันกยดหามันก็ได้แต่จะเข้ามาเป็นอย่างไรแต่อะไานั้นก็ต้องยดืดินหนดือดเดืพราะกลืเกลือไปจนกลือเพราิองเขาไม่มีทางเาตามา ตัวเอตัวตันหนึบตัวข็งตัววันนี้ชื่อวันนี้เสียคิดป็นี้อาจมีทำในใจเลยว่าิดขอรับปฏิบอะไรก็ไม่ทำคิดถึงการภาวนาสมาธิเลก็ได่ไ้คิดถึงกา แต่ปัญญาพิริศพิจนาแข็งเก มานด้วยไหมม่ไดเลียหมือกันกับ เป็นอนิจจาไม่ตั้งมันเป็นอนัตตาไม่ถ้าบังชาไม่ได้แล้วคนอื่นตัดอื่นมันไปมีอำนาจวาจณามาจากไหนมันเหมือนกันหมดแต่พิจายนา ก็เปิดมาจะต้องเป็นอั่งนั้นมันเป็นหน่มเป็นสาวกันเสียระยะเวลาไตัดเล็กล็กหน่อยในใจมันกเสือเดงามดีเดียไปกิดงยอะมากกว่าจแต่จะเข้าจะเข้าขู่ เดีแถเดียวกันหีูคือการพิจาราขาดขันภายในติจิตติ้งเจจาดพเจณาภายในโดยธรรมเนียกันใจแค่เราไม่ใช่ว่านันแต่เพียงเส้นเพียงวลาจะดีอยู่ทุกการทุเวลาจะเสีไปปุ๊บดันทุกสมัยมันรัไห้มางได้ เอาไปน กันความเปลี่ยนเพระจใจมันมีอยู่เปลีนแสงมันมีแสงมาสู่กับ่้อเมตบอกจิดบัางมีอตะปัญญาของเรามีอยู่แต่เราไม่เลยน้มันชาที่นี่พิจารณาด้วยไม่ใส่ใจที่สงบสึก ไปจะตปมีใหรอันตายในนั้นเรองนี้เป็นปกติเพราะมองเห็นหัวใจของ็นเราคือเมตบอกไม่มตสติปัญญาไม่มีธรรมะเราทำไมโยกันไปขัดแย้งกันใดนดมีแต่เรื่องแอบใครเพราะใจเมตบอกไมรู้ปัตติจไปโลกมีติดตัวไม่มีจัต ไม่ได so ้มักได้ผลมักเบื่อแต่ท anyway. ี่ปฏิบัติในรกความสงบสงัดในรักความหยั่เยิ่ใครก็เขาก็มีโอกาสเวลาทำจิตทำใจของเขาให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นให้เป็นไม่อาจไม่ทำได้เพราะเขาไมนมีโอกาสเวลามากมายเหมือนนักเบื่อหยุดการงานยืนเย็นอยู่ตลาดเวลาในว่าคนหนึ่ง เวลาเป็นแตรว่าคูเท่ามันเป็นอย่อย่างนั้นโกอันนี้มัมีอะไรที่แปลหม่เหมือนกันแตไหแต่ไรมาพระพุทจายังไมอิจฉาแต่ทนโลกนก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่เรื่องมาแล้วแต่เหมือนกันแต่เรื่องมาแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้มีอะไรผิดแปกแตกต่างไม่มี น่พระ้านาถึงธรรมแล้วทุกอิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมในแบบวิจักตียังวักตุลย์ได้ก็เลย อย่าไปคิดว่าเนหน้ า, าที่ของคนอื่นแต่เราอยู่นี่คือสมาี่ตัญญา วัดราสีทัพหาอาศัย เราไม่ได้ทำงานอะไรหนักหนาลำบากอย่างยงอย่างนั้นเพียงแต่ไป็นเจ้ากรมภาวนาในมี่ปลอดภัยไม่ไมเร่งไม่เงเราดังขยันขยันเราดังในใจใจพอใจทำเดี๋ยวไปทาสิ่งนั้ น, ม น, นไม่สรางที่รตปัญหาได้ไหมมีมใจใจพอใจเดี๋เมื่อเต่บสร้างปิเรตปัญหา ทำไมมันอ้างว่าเมดเหนือทำไมมันอ้างว่าร้อนว่าหนาวเขาไม่มีใจหรือไม่มีใจหรือเขาที่ทำได้หาอุบายต่างๆมาสตัวเดี๋ยเรามีอุบายมีปัญญาสนตี๋ยความเข้าต่างๆที่เคขัดห้องในจิตในใจที่เคยเพ่งจะหนีเราไปสื่ออารมณ์ปัญญาต่างๆ มันจะแตอไปหดไปต่างใจบำเพยงคุณงามความดีเพื่อขึ้นขึ้นนักเดือดแถวนั้นเป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้มีโชคดีถึงจะมีตัวแทนมาทำร้ายทแบบแบบี่น่เแสบบิ่ยง ค, คารวะอย่าเดินยากหนักยากหนาเหาโอกาสเวลาในอันนี้ให้เราคุ เป็นผู้เ่ิดมีอย่าไปหลงหลไปตามคนื่นอย่าไปเป็นคนง้อไม่มีสติปัญญาเฉ่อยหน้าาม อย่าทำลายศาสนาเอาชีวิตเป็นเดิมทำากมันเหน็ดคนเต็มใจจะเดือดตั้หาก็ปกคองมันตายไมต้องามคือการทาความเพียรการทำลายใจการแกกไข่ทางหากมันจะพ้นเกลีดไปได้ก่อนข้อสมบัติมันเต็มเตลี่เพราะการยนได้ตายเกลดมันลำบากยากเย็นถ้าคิเป็นอย่างไร อดีชาติที่ผ่านมาเป็นเหอนกันอนาคตที่จะตาจะเกิดต่อไปเป็น้อนกันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาแต่มันจะมีความสุขความสะดวกสบายแต่ชัระมันได้หมดเพหมดชาลิน ด้รู้จะเห็นภายในใจของตนจะประโยชน์อะไรที่จะไปตกไปเสียงเสียเวลาสำหรับคนหนีหนาตาเมื่อบอกให้มันดูให้มันได้ยินมีคนมีหือมีตาที่จะตังออกจะมีเห็นฉะนั้นขันจึงดีอย่างเดียดะลา ทางกายทาใจทั้งทาง่านทุกคนเมืออ่อหลงอยากจะมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่าไปมองข้างเป็นทองตนอย่าเป็นสื่ออาภัพอาญาศสนาต่างหน้าต่างตาที่ต่างหน้าต่างตาทความเพียรจิใจติเใจกระหนเอะนต่างๆจะเหยียบเตัวสงบยุใจติดสงสัผัดขง จะปล่อยแงความต้องใสจะหย่จากความยึดมั่อีกขิางขอัญาเรื่ต่างๆเพราะใจยืดเห็นเป็นจริงในตัวมของร้ากคนเหม่เห็นเห่้จทาง้งใสทุกคนจชยัง้าหรือสาว ว่าเป็ a สิฉล no. าดแหลเหนือลในลมหลงกับอะไรเพราะ็นูในตัวของของรดอย่างไร้าจ้สาวกจิต่าอบมานอย่างเดียวกันวสมัยอดีตหรือจบรือา เมื่อเป็นความบริสุทธิ์จะเป็นอย่างไ ม, มีอะไรที่จะใสยาิุทธิ์ใยติดปาพยายามถากเทียนหนาผีของปิศาจมาเลยหนอนั่าไปิดเป็นส่ีสงสสส่ ง, ง, งี้คุณค่ากว่าธรรมะ เกทั้งร่าผ่าสังตายใจทั้งตนถ้าไปเห็นตีนอื่นเป็นคนีิแนี้แหละเป็นคนที่จะม่มีสาในตัวเป็นคนที่จะก้เป็นหาเย็นสงบไม่พยายามใพยายามึกาพยายามดจิตทั้งน อย่าไปดูติอื่นแล้วติอื่นนั่นไม่ให้ใหุ้งง่าากจิตจากใจเท่านั้นิสุขสิฟุ้งบ้ที่เจนาภายในจัดตัดไปออกไปสิจิตเป็นทิศเป็นไเขียนให้ลืมโไงเกิดเทอไม่กจ้าตายยกเปื่ไปส่ปฏิบัติตายไป การทำอย eh? um. mo? ่างนี้ใจตองผ่านจงดุลิศเราจะอาทับอาญาศาสนาเป็นโมฆะสำหรับเราเป็นเดียรไม่มีแต่เรานำมาเพื่ที่จะทำมาของเพื่อต่อจะเป็นของดีเป็นค่าจะเป็นเกี่ยวจังละตัดต่อจิตใจแตเราเนี่ยงานทำน่ะนั่เกี่ยวข้องกับตัี่ยวแต่ยากจะ ได้ควเกิดความกรรมอยากจะได้ความพ้นจากทีเลจากเสื่อิที่ของรรอยาไปคิดต่หลังพยยามขัดเคี่ยนยาอดทนพยายามิดเปล่จิตใจห่อลเลียส ทุ i คนตั้งใจที่ไม่ตั้งใจมาตั้งใจทั้างาสัณจิตใจติดใจติดใจติดใติดข้องใ่สมองต่างต่างจะหายจากความติดใจมาสลดหายจาใงเกิดใสหายจความติดข้องของใจมีความอยู่ภายในตา มาทอในพิธีจ enfin ah ัดเป็นของจะเกิดยี่เกิดอย่างฉะนั้นขอทุกท่านจงนไปที่นิพพยานศึกษาและต่างหน้าต่างตถ้าเปลี่ยนภิยาสิบปีเราเหนื่อยหยางแต่จะเป็นสมบัติของเราเหนแสงตามพิบ่าวธรรมขอทุกท่านจงมีความสุขคาเจริญตามพิบ่าวธรรมนะผมอยากใสปุ๊บเปลียบเวลา د و ل ا